เรียบเรียงจัดทรรมและบรรยายโดยสนธิชัยทวีโชคทรัพย์สินม้วนที่หนึ่ง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 เมือนรกทั้งสิ้นแบ่งเป็นขุมๆุม 1. มหานรกหรือนรกขุมใหญ่มีทั้งหมด8ขุมตั้งซ้อนเรียงกันเป็นชั้นๆห่างชั้นละ 15,000 โยธ 2. ออุสุทธานรกหรือนรกที่รองลงมามี128ขุม 3. ยมโลกมีทั้งหมด300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 ก็ไปอยู่ในมหานรกก่อนหากบาปกรรมยังไม่หมดก็ต้องไปสวยกรรมอยู่ในอุสุทธนรกต่อจากนั้นก็ยังไปยมโลกน ร, รกเรื่อยไปจนกว่าจะสิ้นกรรมแต่ก็มีสัตว์บางประเภทที่ตกนรกขุมเล็กๆแล้วก็ไปตกในนรกขุมใหญ่ก็มี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 มีเรื่องเล่ากันว่าเมื่อท่านไปในนรกนั้นด้วยเมตตาธรรมของท่านทําให้น้ําในกระทะทองแดงที่ทรมานสัตว์นรกนั้นกลับกลายเป็นน้ําเย็นเปลวไฟที่รุกโชดช่วงเผาสัตว์นรกก็กลับกลายต้องดับทันลงต่อจากนั้นพระมาลัยก็ได้แสดงธรรมโปรดแก่สัตว์นรกเหล่านั้นให้อิม่มเ อ, อบิบบันเทิงในธรรม กับนรกเหล่านั้นคัานได้ฟังเทศนาแล้วต่างก็พากันปราบปลื้มใจแล้วก็ได้ร้องสั่งกับท่านว่าหากคนเจ้าครับพอได้โปรดอนุเคราะห์แก่ข้าพาเจ้าด้วยเถิดขอพระคุณเจ้าเนี่ยเพื่อกลับไปถึงโลกมนุษย์แล้วได้โปรดบอกแกญ่ญาติของข้าพาเจ้าเออสึ่งมีชื่อนี้ว่าเออให้ช่วยเร่งทําบุญทำกุศล แล้ ว, ลวอุทิตส่วนบุญนั้นมายังให้ข้าพระเจ้าด้วยเถิดข้าพระเจ้าทรมานในนี้จริงๆฝ่ายพระมลาัายครั้นกลับมาถึงโลกมนุษย์แล้วก็นำตามความแห่งสัตว์นั้นนำมาบอกแก่ญาติพี่น้องตามที่ได้รับคำขอร้องไว้ทุกประการ บรรดาญาตินั้นคันได้ทราบแล้วก็ได้เร่งทําคุณงามความดีอุทิตส่วนกุศลให้กับญาติของตนที่ได้ไปตกนรกนั้นแต่ความเป็นจริงนั้นสัตว์นรกไม่สามารถจะได้รับส่วนบุญส่วนกุศลที่ญาติอุทิศไปได้เลยทั้งนี้เพราะว่าในนรกนั้นมีแต่การทรมานให้มีความทุกข์ร้อนใจอยู่เสมอไม่สามารถจะดรับส่วนบุญส่วนกุศลได้เลย มีแต่ปาทัตุปชีวีเปรตเท่านั้นที่จะสามารถรับส่วนกุศลนั้นได้อาจจะมีคำถามว่าประมาลัยทำไมถึงไม่ขนสัตว์ออกจากนรกนั้นเสียคำตอบก็มีว่า สัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของของตนแม้แต่พระมลาัายเองก็ยังไม่สามารถจะนำสัตว์ที่ตกในนรกนั้นขึ้นสวรรค์ได้เลยต่อจากนี้ไปขอเชิญท่าน ได้รับฟังเนื้อหาที่ ร, รัมมลัยได้ไปเที่ยวเมืองรกแล้วนำมาเป็นบทสนทนากันให้ฟังแล้วได้มีศรัทธาประสาทะกันสืบต่อไป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 ท่านก็ได้แวะไปถามท่านยมบาลว่านี่นะท่านท่านคือยมบาลช่หรือไม่ใช่แล้วพระคุณเจ้าข้าพระเจ้าคือพญายมราชหรือรที่ใครใคร